<c oughs> ฟังทมก็ไม่มีเสียงใดที่จะพูดให้ฟังเรกที่สุขโตเนี่ยในแต่คทรับคาชาเรื่อง ก, การเจริญสติขนานั้นนะการเจริญสตินี้ก็ทำให้กันไม่ได้เสีย ด, ด้วยในเหมือนทำอย่างอื่น <c oughs> เราจะต้อง ดูแลตัวเองแล้วก็พยายามมีสติไปกับการใช้ชีวิตประจำวันแล้วถ้าเราจัดสรรเวลาให้ตัวเรามากๆก็อริบทที่เราสร้างสติเห็นนั่งยกมือเคลื่อนไหวเห็น อ, อริบุเรเระมความรู้สึกเข้าไป กับปริบทที่สร้างขึ้นมีเจตนาหรือไม่ช่นั่นก็เดินจงกลมอันนี้ก็เป็นหน้าที่โดยตรงแต่นอกจากปริบทนี่แล้วก็พยายามที่เติมความรู้สึกเข้าไปบางทีก็ลองหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกเข้าไป อมหายใจาใช่ลมหายใจเติมสตินี่ก็เป็นประโยชน์เพราะลมหายใจมันมาอยู่กับเราตลอดเวลาแต่ว่าด่าไม่สนิทไม่สติไม่ติดกับลมหายใจเนี่ยมันก็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 อมองแบบหนึ่งลมหายใจมันก็หยาบเหมือนกันไอลมหายใจเนี่ยมันท่องหมดของชีวิตเราเลไมันก็เป็นใหญ่เสียด้วยทุกเวลานาทีมันต้องหายใจเข้าหายใจออกอยอ่เสมออาจจะไม่เหมือนกับรีบิที่เราสร้างขึ้น อ็จะ <c oughs> มองแบบความสะดวกเราหายใจก็สะดวกถ้ามีสติดีนะมรามันก็หยาบมันก็หยาบมันก็จับได้ง่ายถ้าเราพุ่งเคยถ้าเราคุ้นเคยแต่ถ้าเราไม่คุ้นเคยมันก็หลงได้ง่าย แต่เราคนเคยมันก็รู้ได้ไง่ายหรือแท้ก็สรุปแล้วก็คือความรู้สึกตัวนี่แหล ะ, อะตอนเปิกใหม่ๆเราจะาจุดใดที่มันสะดวกก็ทำลงไปแลวก็เราที่หัดฉีดหัดเขียนอันนี้ก็หัดเขียนใหม่ก็ต้องเมยลงไปนอนลงไปจับปากกาจน ับเดินสซจนเหงื่อไหลต้องได้เค็ดมืออยู่เรื่อยๆเยนาทำเป็นแล้วอะไรแบบไหนก็ได้แต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่การใส่ใจที่จะรูนะ้นั่นแหละความรู้สึกตัวนี่ับมันเป็นเป็นหลักมันไม่ไปทางไหนตายเห็นรูปมก็ยังรูด้ได้สมมติได้ยินเสียงก็รูด้ได้ อะไรๆมันก็รูดได้ความรู้สึกตัวน่ะมันเป็นมุมกลับความรู้สึกตัวตมันเป็นมุมกลับมันไม่ไปมันไม่หลุดออกไปแต่เรามองทั้งมุมกลับเห็นความโกรธความไม่โกรธความคิดกับความรู้สึกตัว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 ส่วนความโกรธส่วนความไม่โกรธส่วนความทุกข์กับส่วนความไม่ทุกข์ส่วนความล้งกับส่วนความไม่ร้งยืนหยัดอยู่กับภาวะที่ลู่ที่ลู่ติกลับเนี่ยชีวิตของเรามันต้องให้มันจานาญวันหนึ่งวันหนึ่ง <c oughs> ภาวะที่มันจะายทางอื่นมันมากแต่เราใส่ใจตรงที่จะรู้สึกตัวเนี่ย เราจะได้พบเห็นถ้าจะว่าแล้วก็เห็นแต่เรื่สัตว์ก็เห็นตรงนี้แหละเห็นความทุกข์เห็นความเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์และลู่วิธีที่จะดับทุกข์อันลู่วิธีที่จะดับทุกข์ตัวเนี้อ่ะมันไม่มีอื่นใด้หรอกมันเ ก, กี่กความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวจะเป็นอืช่องทางที่จะทําให้เห็น อริยสัจสี่เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นวงจรของชีวิตเราทุกแง่ทุกมุมเอาอริยสัจสี่นี่ไปกำหนดได้หมดทุกอย่างจะเป็นปฏิจจสมุปบาทจะเป็น ทกขังอันจังอนัตตาจะเป็นความโลภความโกรธความหลงจะเป็นชิเลตสัญหาราคาโทสะโมหะถ้าเราลู้หลักอายุัติ์สี่มีสติไปจนเราเป็นการศึกษาที่เป็นคู่มือเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันก็คู่มือของเรา มันก็คู่มือการช่างคู่มือเวไนในคู่มือพุทธคู่คู่มือธรรมะอะไรเงั้นละ่ะหลักฉเฉลยควมรู้สึกตัวธรรมฐานเนี่ยเป็นหลักฉเฉลยมัก็ไปลงอยู่ในอริยสัจสี่ทั้งหมดนั่นละ่ะในโลกเนี่ย สตคิควบคุมทั้งหมดการเจริญสตินี่มันถ้าเป็นการศึกษาก็เป็นการศึกษาครบถ้วนเราไ่ได้ได้นั่งหลับหูหลับตาแต่การนี้การนี้ก็ยังได้ยินเสียงลนตรีเสียงเขาใช้หนัง มันก็ไม่ไปสีภาษาอะไรหรื อ, อแม่แต่เขาจะมาดูมาด่าเราแล้วก็จะเกิดความฉลาดด้วยถ้าเรามีสติแล้วก็มองถึงเหตุที่เขาด่าถ้าเรา <c oughs> เป็นคนผิดแล้วก็ ได้ประโยชน์แต่เราเป็นคนไม่ผิดเราก็ได้ประโยชน์มันก็ไม่ได้โง่อะไรมันก็เกิดความฉลาดมันเป็นมุมกลับแล้วธรรมาดาแล้วเราโกรธมันก็โง่สองต่อโง่กว่าคนที่ด่าไปไม่มีอะไรหรอกในโลกนี้ที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลง ถ, าานะถ้าเราไม่รู้ตัวเองนะถ้าเราไม่รู้ตัวเองเนี่ยโอ้ยโยแยกไปหมดเลยต้องยากต้องลำบากปัญหามากมายถ้าเราลูดหรอกอา้าวอยู่โยงคงกับพันลุยเลยในโลกนะ วิธีฝึกสติวิธีเจริญสติที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นคู่มือชีวิตของเราจะเฉลยชีวิตของเราและดูโลกลู่ลู่ลู่แจ้งด้วยเราจะพูดตามความรู้สึกตัวนะในโลกนี้มันไม่มีอะไรมาก <c oughs> ในนินทาสะเสินไม่ได้ไม่เสียไม่ฉุกไม่ทุกข์ ันเป็นบวกเป็นลบีความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ช่วยตัวตนมีเหตุมีปัจจัยมากมายช่องทางที่ทำให้เราหลงไม่มากเหมือนกันแต่หลักของความรู้สึกตัวนี่ยืนหยัดจุดเดียวในความรู้สึกตัวกับ ม, มุมกับเราได้ช่องทาง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 ความไม่เป็นอะไรก็อยู่ตรงนั้นอวอมหลุดพ้นก็อยู่ตรงนั้นเอาดุนดุนไปก่อนปึกใหม่ๆอย่าเพิ่งไปเอาเหตุเอาผลอย่าเพิ่งเอาผิดเอาโทษรู้สึกตัวรู้สึกตัวเอาไว้ความรู้สึกตัวคือเป็นกรรมละ่ะเป็นกรรมที่สักทิศนั่งรู้สึกตัวนะ เพึ่งหลุดออกจากทางนี้ยืนไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนทงรู้สึกตัวนะให้มันแจกกล้าขึ้นมารายืนอยู่ได้ในเวลาที่มันจะหลุดเห็นตน้นไม้ต้นใดมันยืนอยู่ได้นานเท่าไดต้นกล้าที่ลบาลูกมันยืนอยู่ได้นานเท่าไหร มันก็เป็นประโยชน์ออกลากประสบการณ์เข้มแข็งในน้ำในอากาศแสงแดดก็เป็นประโยชน์น้ำฝนก็เป็นประโยชน์ลมพัดก็เป็นประโยชน์ช <c oughs> ีวิตของเราที่เป็นนักปฏิบัติผู <c oughs> ้ที่จเจริญสติเนี่ยต้องยืนอยู่ตรงนี้แหละลู้ลเอาไว้ลู้เอาไว้ให้ลู่จืกตัวเอาไว้ เวลานี่ไม่ใช่เรามาเอาเหตุเอาผลเรามาปึกเรามาศึกษาชีวิตของเราตัวศึกษาคือความรู้สึกตัวเนี่ยแหละความรู้สึกตัวจะเป็นตัวที่ศึกษาที่ร อ, อบตัวรอบด้านอโอ้ได้เยินเสียงก็เป็นความรู้สึกตัวจมกได้กินคือความรู้สึกตัวเลี่นไหลลดคือความรู้สึกตัวสุขทุกข์ก็คือความรู้สึกตัวร้อนหนาวคือความรู้สึกตัวเอามันจุดนี่แหละพวกเราแต่ว่ากําชับ ความชาตัวเองอยู่ตรงนี้การฝึกใหม่ๆจะหลุดไปทางอื่นไปสุกไปทุกข์ไปผิดไปทุกนี่แต่ความถูกความผิดไม่แต่ความสุขความทุกข์บางทีก็ไปเอาทั้งสองอย่างสุกขก็เอาทุกข์ก็เอานั่นมันมันหลุดน็อตหลุดอ่ะ มันก็เราไม่เป็นรูปเป็นร่างมันก็เราจะสร้างบ้านต้องต่อต้องตั้งไว้ก่อนถ้ามายังไม่เป็นรูปเป็นร่างอย่าเพิ่งไปใช้มันมันพังได้อยเพิ่งไปเอาสุขอย่าเพิ่งไปเอาทุกข์รู้สึกรู้สึกกอาไว้ในทีที่จะรู้เนี่ยหามาให้มันทันเวลาให้มันทันเหตุทันปัจจัยความรู้สึกตัวนะ่ะ นั่งอบนรถเลยเดินอยู่ตามถนนหนทางบินธรรมบัาาดเวลาขบไลชั้นเว่ตาเห็นลูกอ่าให้ความรู้สึกตัวให้โอกาสความรู้สึกตัววางทีก็อ่อนโยนมางทีก็อ่ายืดหยุ่นไม่ใช่ขึงขับความรู้สึกตัวนะยืดหยุ่นอ่อนโยนบางทีก็ ยิ้มแย้มยืนหยัดควารู้สึกตัวนะเราหัอยิ้มก็ยิ้มก็เราเขาไปแต่ันลูกภายในปากอย่างใจ่างความรู้สึกตัวนะไม่ใช่ปฏิเสธไม่ได้ด่วนรับไม่ได้ด่วนปฏิเสธความรู้สึกตัวเราหัดกลางอยู่รู้สึก ผิดก็รู้สึกถูกก็รู้สึกอความรู้สึกตัวเกิดความเป็นกลางเป็นธรรมทำาม้ความเป็นกลางเมือ่อจะเป็นธรรมต่ อ, อตัวเองอ <c oughs> าจะมาตั้งตัวนี่ละก็หลอกอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็เพียนตรงนี้แหละ ความเพียรแท้จรงคือความรู้สึกตัวเนี่ยนะแล้วมันก็ทําได้ความรู้สึกตัวเนี่ยเราอยาไปปฏิเสธชีวิตของเราัางทียังไม่ได้ทําอะไรก็บอกว่าทําไม่ได้ในจริงเรามันก็ทําได้อยู่เหมือกับเราดูอะไรเนี่ยบางทีก็ต้องกระพริบตา ไปดูปั๊บไเห็นปั๊บเราไม่ใส่ใจลงไปไม่ดูเมื่ออ่านหนังสือบางทีก็สายตาคนแก่เนี่ยมันก็ก็ต้องกับพิบเรื่อยๆบางทีก็นวดตาเรื่อยๆคอยดูอีกไม่ใช่ไปปุ๊บเราไม่ดูไปยัก็ทิ้งไปเลยไม่ใช่การใส่ใจการเพียรพยายาม มันทำให้เรามีประสบการณ์ดีมันก็เราแล้วก็บอกพระเอาสายยางไปต่อท่อพอไปจดดูแล้วทำอะไรชุกยักเล็หน้อยทำห้ได้ นัไม่ได้อแต้องใส่ใจสักหน่อยดูนะดูผมจะทําให้ดูไปจอดดูเขาก็บอกว่าทำ ไ, ได้เราวางทีเราไปทําค่อยใส่ใจสักหน่อยค่อยใส่ใจสักหน่อยค่อยทําค่อยเอน็นค่อยเอียงคอย่อยอสอดเข้าไปเอาไปมาก็ใช่ได้นี่ต้องใส่ใจบางทีมันนิ่มนวลดีนุ่มนวลดี เเ้เราจะเปิดกอกดน้าเราจะปิดกอกหน้ามาจ่ายเพึ่พับพืพัพบหาใใจสักหน่อยอันรู้สึกว่ามันสุขขมรอบครอบอย่าทำแบบผงผางหลสึกตัวผมรู้สึกตัวเน่ยโอ้มันน่าชมชวยผีมือเราเนาะทำอะไรถึงค่าวที่จะโกรธก็ไม่โกรธ หว่าไห้ตัวเองถึงเขาวเจ็บทุกข์ก็ไม่ทุกข์ความทุกข์น่ยทำให้เราเด่นความโกรธความลำบากทำให้เรามีชีวิตที่เด่นเด่นอาจจะเป็นดาราตลอดชีวิตดาราก็คือภาวะที่ลุยได้ที่ที่มีชั้นเชิง ไม่ใช่ดาราในหน้าจอให้อะไรไม่ใช่แบบนั้นความไม่โกรธแต่ความโกรธแทนที่จะโกรธเราไม่โกรธเป็นดาราเป็นพระเอกก็ได้ความทุกเราไม่ทุกข์นะคนอื่นทั้งหลายก็ทุกข์โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวตายตายตายแบบนี้ไม่ไหวแย่แล้วแต่เราก็อืมดูไม่เห็นแย่ตรงไหมมันก็ต้องไม่มีอะไรที่ไม่ไหว ไม่มีอะไรที่จะต้องตายเราก็โล้ซึ่งในโอกาสเช่นนั้นมันชื้นเชิงมันดีมากนี่ถ้าเป็นพระเอกก็มีชัยชนะโดยเพพาะเรื่องกิจใจเนี่ยเรื่องฝึกสติที่แท้ก็คือการฝึกกิจใจของเราเนี่ยแหละมัน อย่างเดียวเนี่ยใจของเราเนี่ย แ, แต่ว่าถ้าเรื่องของใจมันก็ดูแลอะไรทุกอย่างถ้ามีสติเรามันก็ดูแลทุกอย่างไม่ได้ปฏิเสธจิตใจมันถ้าจะเป็นเมตตาก็เป็นอัปปมัญญาคว่วงใหญ่ไพศาล สนาะดีต่อทุกสปปรรพสิ่งแต่เป็นความรักก็เป็นรักมรรมะไม่มีขอบเขตไม่มีเงื่อนไขนั่เหมือนแบบโลกคนรักกันความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเหมือนกับพ่อแม่รักลูกไม่มีเงื่อนไขจะเป็นคนดีไม่ดีก็ไม่มีเงื่อนไข พระเจ้ารักคนทั้งโลกไม่มีเงื่อนไขอะไรเพราะนั้นเราตรงนี้แหละมุมตรงนี้แหละเราพยายามดูดีๆศึกษาดีๆอยาาปฏิเสธอย่าไปปฏิเสธสถานาการณ์ปรากฏการณ์ต่างๆเอามาเป็นบทเรียน เราวันดีขึ้นดีเราจะสงบวงริมเสียงอะไรมัลุดพืด้นขึ้นขึ้นมังยิบเรามาได้อยู่คนเดียวไม่อยู่หลายอย่างมันก็ต้องอยู่ใน น, นี่แหละโลกในหละโลกพระเจ้าชว่วยทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ทีตัวเราก็้ามันกันนอกในนอกตัวโลกในตัวโลกโลกน้ำโลก โลกที่มันเป็นโลกตามที่มันเป็นโลกถ้าเราไม่มีโลกมันก็เป็นลาบของเราแล้วอะโลขยะประมาลาภาความไม่มีโลกเป็นลาบบนประเสริจพระพเจ้าประกาศไปทุกที่ทุกทางบางีพระพุทธองค์ก็สงบให้ดูเดินให้ดูที่ก็พูดให้ฟัง เี่ก็ทำให้เห็นหาเล่าพระภิกษุเล่าสาวกของพระองค์ตรงสองสอนไปที่ไหนทางไหนถ้าจะพูดแล้วพระเจ้าพูดใตเรื่องนี่เรื่องสติเท่านั้นแหละไม่เหมือนกับพระสองทวนนี่พูดเรื่องอ่า เขาครูเรื่องตำหนักเรื่องพิธีไปโนดไม่ได้สอนเรื่องการเจริญสติหรอกโดยเฉพาะการประชุมของคณะกะของคณะสงฆ์การปกครองยิ่งไม่มีเลยสถานาการณ์โดยยังไงบ้านเมืองเราเป็นยังไงเราปิดผ่าดไม่ไม่เคยปรารบเรื่องการเจริญสติใช่ไหมพวกนี้เก็จะได้ไปประชุม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 ก็จะสอนทุกคนให้มีความรู้สึกตัวนี่แหละเราจะชวนกันตรงนี้แหละเอ้าลงไปมองมองมกลับลงโดูจะเห็นสิ่งที่ประเสริฐอยู่ตรงนั้นแหละทำให้ความรู้สึกตัวอยไปอย่าไ ป, าไปมันจะล้มก็ยลูกไว้มันจะทุกข์ก็ลูกไว้มันจะสุข ก, ก็ลูกไว้ มันจะคิดมันจะเอาเหตุเอาผลก็รู้เอาไว้มันจะชอบมันจะชังก็รู้เอาไว้เนี่ยลองอยู่ตรงนี้นานๆลองดูจะเจะเอะกับเหตุการณ์ต่างๆเห็นของจริงชีวิตของเราเห็นเต่าเห็นตีน ง, งูเห็นต็นไก่ไก่เห็นต็น ง, งูเห็นต็นไก่ อ๋อมันอยู่ตรงนี่เลยเนี่ยมันก็มีท่านเองแค่นี้หรือชีวิตของเราโอ้มันก็ไม่มีอะไรแต่เรามีความรู้สึกตัวถ้าไม่มีความรู้สึกตัวมากที่เด็ดทั้งพันห้าตันหาทั้งร้อยแปดเรามีความรู้สึกตัวมันก็ไม่พร้อมทุกอย่างมันก็ไม่ไปทางไหนมันก็อยู่ตรงนี้มุมกลับมุมกลับ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 เราก็อยู่ร่วมกันทำครัวทาอาหารทาโน่นทานี่อันทีต่อไปนี่เราก็จะต้องมีการสร้างกติเวลานี่เป็นเวลาพอเหมาะพอดีละถ้าเอกเดือนหน้าในคงไม่ไหวแล้วถ้าจะหาแรงงานคงหายากแล้วก็จะใช้แรงงานชาวบ้านช่วงนี้ก็เป็นประโยชน์ชาวบ้านกาลังอดอยากถ้ามีปัจจัยพอจะยี่ง ย, ยาใช้เขามาทางานทาการได้บ้าง แล้วก็จะพอมีปัจจัยสื่อข้าวสื่อของตอนนี้หิวมากชาวบ้านอยู่มากชีวิตคารวัตอย่างที่หลวงพ่อเคยเป็นชีวิตคารวัตช่วงนี้เป็นช่วงที่กิว่วที่ขอดที่หอดที่หิวมากบางคนก็อาจจะมาขอจินข้าววัดแห ล, ละ่ะมันจําเป็นมันไม่มีเรามีประจรงปัจจัยจ้างเขา <c oughs> อัอ น, นี้ก็เป็นประโยชน์อเดิตยหน้าเขาก็ตัดมันุดอ้อยอ่าตัดอ้อยุนมันแล้วพอถึงข้าวใหม่ปลามันอันนี้ก็พี่เราก็ลองเยาะเ ย, ะเยะ้ยดูถ้าแต่ว่าไม่ได้เกณฑ์วันก็ไปซชื่อใหม่กับอาจารย์ทรงสินจันหนุ่ง สุดฝีมือไซื้อ ข, ของเอาจนสุดฝีมือหาในจังที่มันตรวจตลาดดีที่สุดหรือราคาได้ที่สุดน่นแหละโป้ไปสองเกิดเจริญสติก็ทําไปอ่าไปเกณฑ์กันอ่าถ้าใครจะช่วยก็ช่วยถ้าใครไม่ช่วยก็จเจริญสติไปอะไรไปเล่นไปหลับไปนอนเอาทําไป ถ้าท่านจเจริญสติก็บท่านไดนทำทุกอย่างแล้วถ้าลงก็ไม่ผิดพลาดแล้วประมาทแล้วถ้มามีสติก็อเอาเลยทำลงไปอ่วันนี้พวกเราก็จะได้ไปบวชเป็นทาญาติของพวกเราถ้าใครจะไปหลายๆก็ไปได้ทาไมไปก็ปฏิบัติอยู่นี่อะไรจำเป็น <c oughs> ยัเป็นต้องไปก็ได้านบทก็คือการลาความชั่วทำความดีหนีจากความชั่วไปสู่ความดีนะอ่านบทเรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็บวชคือหนีความชั่วทำความดีมีสติฮะมันลง